abun กะดิมะม่วงมะขามที่ในตลาดเนี่ยนะเค้า 5 บาท 10 บาทจริงๆแล้วต้นมะขามหรือต้นมะม่วงไม่ จัดเตรียมทุกเรื่องไว้ให้แล้วก็เพื่อให้สิ่งต่างๆได้อิงอิงกันอาศัยซึ่งกันและกันมนุษย์เกิดขึ้นแล้วมนุษย์ก็ คิดราคานั่นหมายว่าคิดด้วยราคาสมมุติเราไปถามแม่ค้าปลา ในภาษาเขาจึงพูดว่าคิดราคาหรือซึ่งไม่มีค่าไม่จริงไม่ ตัวเราต้องไปจ่ายจากการประปาด้วย ม์ราธาตุต่างๆครับจนกระทั่งๆอย่างสมบูรณ์นะเช่นปฐวีมี ทางด้านดินน้อมไฟสิ่งนี้เราถ้าจะเรียกได้มันเป็นอมตะไฟ ที่จริงไฟหายมันไม่ได้ครับเพียงแต่ประวิลอัน ไม่เพียงแต่ที่นี่เท่านั้นที่บรรยากาศอื่นที่ดาวดวงอื่นเห็นมั้ย นามที่เราเห็นด้วยตาคืออะไรบางอย่างที่พริ้วๆเลื่อนๆหลายๆนั่นแหละแต่ถ้าในส่วนปรมัตถ์ของมันปรมัตถ์ๆครับ คือสภาพที่เลื่อนลอยเลื่อนไหลนี่สภาพเบาสภาพเคลื่อนไหวๆที่เรารู้สึกนี่ส่วนดิน จริงๆแล้วต้องแต่เรื่องทางศาสนาเราอาจจะคิดได้ทางใจแต่ถ้าเราคิดขึ้นๆเราจะ มูลธาตุทั้งการเมื่อเรารู้ความหนักในสภาพรู้นี่ การศึกษาทางทางภาวนาเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องนึงการคล้ายๆกับว่าพระพุทธเจ้าทรงอุปมาเช่น อันแล้วก็จุดไฟเผากับการขี้เท่าเอา ความรู้ต่างๆที่รับทราบมามันจะละเอียดหมดเปรียบเหมือนอ่าคนที่มีไอ้น้ำย่อยๆการปฏิบัตินั้นเปรียบบ่ม ค้นพบแร่ทอทนะครับจนทั้งนัก จริงเพชรก็เหมือนกับก้อนหินก็ดินเนี่ย เป็นลำดับมนุษย์นะครับเป็นสิ่งที่ธรรมชาติได้ เอ่อไม่ใช่มนุษย์นี่คือลิงนะมักจะมีคนค่อยคัดเฟ้นเดินกระทั่ง ที่สมบูรณ์แล้วครับที่เราเป็นกันทุกวันนี้นั้นเราโชคมากๆครับท่านเรียกว่ามีปัญจสาขาคือ 5 แง่งลำ บรรจาสาขาร่างกายสัตว์สูงนั้นสมบูรณ์มากๆครับมนุษย์เราสัตว์สูงองค์ประกอบของร่างกายสามารถยืนเดินนอนนั่งได้อย่างสะดวกผิดกับสัตว์เดรัจฉานนะครับช้างนั่งนี่ลําบากมากได้แต่ยืนจะยืนนิ่งไม่ได้ต้องโยกตัวกับช้างผม สัตว์นอนก็นอนยากมากครับนอนแล้วๆนั้นมีอิริยบทที่จํากัดมากๆเดินอย่างผู้ฝรั่งนี่นั่งก็นั่งลําบากนะ ของสรรพสูญของมนุษย์นี่โดยภายนอกคือจิตใจจิต คือเนื้อในมันก็กลายเป็นสิ่งที่คุณคุณนี้เหมือนกับแต่ข้างเนื้อในของมันก็ใสสะอาด กุฏิไปตามเอ่อกับก้อนหินอื่นอาจจะ คือปึกของกายอีกคือคิดนึกนึงอีกทั้งผิวหน้า <c oughs> ไอ้นั่นเป็นเรื่องเป็นก็ดูโก้ดีสมมุติก็อาจจะดูตลกไปก็ได้ครับถ้าเรามีทองเยอะ วิธีเครื่องจีรณัยจิตใจเราคือคือสิ่งเรื่องธรรมะนี่เองครับที่พระ ก็จะมีใครรู้จักของคุณงามแม้แต่ความสวยงาม ที่เรามักจะคุ้นเคยกับสภาพความเป็นเช่นนั้นมันเป็นอยู่แล้วครับแต่ถ้าเพราะท่านเป็นท่านเรียกตัวเองว่าเป็น คือท่านเป็นคนแรกที่เห็นมันพี่ใหญ่ของของของโลกที่เห็นมันก่อนหน้านั้นไม่มีใครเห็นนะครับมีแต่คนคิดเอาทั้งนั้นพวกพราหมณ์พวก น้องๆของท่านทุกคนเนี่ยจะต้องเห็นๆนะครับรู้สึกตัวเข้าไอ้นี่ แต่เราต้องมาที่เรือนกายเพราะว่าเพราะเรือนใจมันก็ซ้อนอยู่ในเรือนกายๆมันก็ซึมลึกเข้าไปจน ตัดๆในนิมิตต่างๆที่ในห้วงของความคิดเรื่อยๆทั้งวันทั้งคืนอย่างเนี้ยกราบได้ที่เรายังไม่ๆ คมัคกระทํามนเรือนแก้วเรือนที่จริงนั่นคือเรือนใจครับที่เป็นเป็นเป็นเรือนแก้วเข้าใจมั้ยครับรู้จักคําว่าเรือนแก้วมั้ยพุทธรูปต่างบางทีหรือหรือไม่ๆสิ่งที่ครอบอยู่ปกติ นั่นหมายความว่าเรือนแก้วนั้นเองเรือนแก้วเรือนโพนั่นเอง เป็นเพิงพักที่ที่ถาวรสัญลักษณ์อันนั้นแต่สัญลักษณ์อันนั้นหรือเพิงพักอันนั้นก็อยู่ สิ่งลมไม้สัตว์อีกต่อไปเท่ากับเรื่อยๆนะฮะน้ำใจไหลจิวาแล้วก็ทํางาน ที่คิดว่าๆครั้งนะครับเพียงเพื่อนหนุนน้ํา <c oughs> เสวคคุณสมัยภิกขุการในคน คอนี้ไมโครโครยังไงไม่ได้หมายว่าประสงค์ไม่ ส่วนมีชีวิตที่สะดวกสบายในการปฏิบัติภิกษุนั้นเนื่องจากเครื่องแบบอำนวยนะ ชาวบกชาววิกาที่เป็นเอ่อคฤหัสถ์ที่เข้าถึงธรรมนะครับส่วนใหญ่พุทธเจ้าตรัสว่าเป็นนาคามีและก็มีอาชีพปั้นหม้อ ภาษาเครื่องดินถ้วยอะไรนี้เค้าจะไม่ใช้แก้วในร้านกาแฟเพราะว่าล้างแล้วเค้าแล้วคว้างทิ้งเลยฉะนั้นอาชีพปั้นๆขุดดินด้วยมือปั้น พระอนาคามีส่วนใหญ่เห็นใน <c oughs> <c oughs> อย่าอย่าประมาทเป็นการนะครับมีธรรมชาติที่เป็นเป็นอุปสรรคในตัวเราก็คือความเลลอสะเพร่า เราก็ลบล้างไอ้ความสุขสําคัญของตัวเองของชีวิตของตัวเองไปเราสอประมาททุกๆอย่างเรา ท่านจะ จاهد สตรีหรือสาวน้อยสมดุลแล้วก็สอบสวน เมื่อเห็นสังเกตเห็นก็เอาออกอย่างนี้นะครับอย่างนี้ชื่อรู้อยู่เห็นอยู่สัมผัสตัวเองอยู่พอมีอะไรเข้ามากันสิ่งแปลกปลอม ไม่ดีไม่ร้ายกับคนอื่นอยู่ก็เลยประมาทไปเรื่อยๆครับมันเลยอาการเช่นนั้นเลยก็กระออกยากครับดังนั้นถ้าเราเห็นมันตั้งแต่น้อยคือเช่นอาการพอได้ยินข่าวว่า น้อยสุดคือว่าปลอบใจตัวเองได้นี่อย่างน้อยนะครับคือว่าโอ้ชีวิตเค้ากับชีวิตเค้าชีวิตเรา ความหมายในการปฏิบัติธรรมนะฮะในส่วนที่ตัดรัดที่สุดผมไม่คิดอีกเลยว่าจะมีอะไรรัดกว่านี้เหมือนกับเค้าตัดทางนะ ตัดไปตรงๆเลยทางสั้นที่สุดนะครับมี เพราะฉะนั้นนิสัยที่ลังเลชอบมากเรื่องมากตื่นแต่เช้าพอตื่นปั๊บก็จับความรู้สึกค่อยๆรวมตัวกันขึ้นรวม แต่สําหรับผู้ที่เห็นใจเข้าถึงจิตใจแล้วเนี่ยไม่ต้องดูอีกแล้วก็ <c oughs> แล้วก็ปิดไม่ให้ให้รู้ไม่ให้แสงรอดจากช่องไหนมาเลยเราก็ไม่รู้ไม่ส่องจ้าขึ้นมามันก็รวมกับ <c oughs> ภายในใจนั่นจริงๆยิ่งกว่าพระทิศยิ่งกว่าพระธรรมเนี่ยแต่เราไม่รู้จักมันมัน เราก็จะไม่มีเชื้อเลยไม่มีตัวนําอะไรแล้วมันจะไปไม่ถูกดังนั้นเจริญสติน้อย มีชีวิตอยู่ทางหัวใจเดินยืน <c oughs> ค่อยดูเฉยๆครับดูดู เสียงๆของรุ่งเช้าดูแต่อย่าครับต่อสิ่งอยู่เบื้องหน้าๆกับจับๆครับอย่าให้ แล้วอย่าหรือจะต้องดูอะไรบางสิ่งภายในเพราะกังวลถึงการที่จะต้องดูอะไรบางสิ่งภาย